จากที่ท่านพระอาจารย์ได้ขับเน้นมาในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องว่าเรื่องทานเรื่องศีลนะคะจนกระทั่งเข้าสู่คําถามที่ว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรและกรรมฐานอย่างไรล่ะที่จะเหมาะสมกับเราในยุคนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้กรุณาชี้แนะให้เห็นนะคะว่าอุคคะ ข, าขาหาบดีท่านฟังธรรมแวดวงของท่านก็เป็นแวดวงอริยะนะคะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะทํา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 ตรงนี้ตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าขอตอบในเรื่องเหมกันว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าในชั้นของสติปัฏฐานนั่นจะใช้คําว่าคัดชั้นโตวาคัดฉามีติปะชานาติเป็นต้นนะก็คือเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นิสินโนวานิสินนมหีติปะชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่นิสิโตวา พี่โตมหิติปชานาติเนี่ยว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดบัดนี้ยืนอยู่สยานโนวาสยาโนมหฮิติปชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดวบัดนี้เราน อ, นอนอยู่เป็นต้นอันนั้นคือการเจริญสติปัฏฐานในหมวดของอียาบทบัพทีนี้กรรมฐานนันมีหลายบทถ้าถามว่าถ้าจะเจริญพุทธานุสติในยาบทยืนในยาบทเดินในยาบทนั่งในยาบทนอนจักได้ไหมก็ต้องตอบทันทีเลยว่าได้ เพราะตอนนั้นน่ะเป็นการเดินในกรณีอ่งการคิดถึงคุณของพุทธเยา้าทีนี้คำถามก็จะถามมาทั้งหมมาถามเองตอบเองตรง น, นี้ก็คือว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็หลุดจากอารมณ์ปัจจุบันอยู่เพราะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายคือการที่จะต้องขับเน้นปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเออเราจะเดินกรรมฐานอะไร เพราะการไปยึดยองอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันตามมาเยอะกรรมฐาน น, นั้นน่ะท่านให้ขับเน้นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเร็วและประณีตใกล้และไกลกรรมฐานต้องมีอารมณ์ได้หลากหลายเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งเห่งความเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ปัจจุบัน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 เพราะทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าไปวิจัยเพื่อทำความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้และให้เข้าใจชัดอันนี้พอจะเข้าใจเนีทีนี้ถ้าถามว่าในยาบทเดินสามารถเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ไหมได้เพราะอันนี้เป็นการเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อจะทำให้จิตนั้นเป็นอุปยาลสมาธิ่แต่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นผูกกับคุณของพระเจ้า เข้าถึงคุณของพระิเจ้าให้ท่องแท้ฉะนั้นในด้านของกา ร, รมารฐานท่านไม่ได้จำกัดแต่ว่าถ้าจักเจริญให้เกิดผลที่ดีและก็เพื่อสมาธิที่มั่นคงทั้งหลายเนี่ยท่านก็ขับเนียเยี ย, ยบวนนะัาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจะเดินท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าจะเดินในการระลึกถึงทานอุปสศีลกุศ ล, ศลหรือระลึกถึงมารณสติเป็นต้นเหล่านี้ ฉะนนในด้านกรรมฐานนั้นท่านไม่ได้จํากัดในเรื่องของของการที่จะต้องอยู่ในอยาบทแต่โดยส่วนใหญ่ท่านจะเว้นอยาบทนอนไว้เพราะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อกรรมฐานแทบจะทุกกรรมฐานใช่ไหมเพราะอยาบทนอนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามว่าในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทําทําไมเนี่ยทีนี้พอพูดถึงกรรมฐานก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดัง ท, งที่ได้กล่าวท่านในกรณีอย่างนี้ว่า การที่เราเดินทานนกุศลนะจนเกิดความเข้าใจอย่างทองแท้ที่ได้บอกไว้แล้วจเจริญทานคือการให้เนี่ยจนอัธยาสัยนีย่จนสามารถระลึกถึงเจตนาก่อนให้ใช่ไหมก่อนให้ที่เป็นปุพหะเจตนาเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวกล้า ต, ต้นตังที่ได้กล่าวเป็นสามารถเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เงี้ยทําทุกวันเงี้ยมูลจากเจตนาก็ก่อนให้ก็ใจก็เป็นผู้ที่จิตใจที่เป็นไปกับ สมนะความดีใจนี่เนี่ยนนขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ระลึกระลึกถึงเจตนาคุศรลจิตที่ตนเองกระทำไประลึกถึงวัตถุทานระลึกถึงปฏิคาหกที่เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการระลึกในลักษณะนี้ยังความปลาโมดปีติปัสสติความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรรมฐานยังเป็นมสติที่ตามระลึกถึงการที่ตนเองบริจาคสละ อย่างต่อเนื่องแล้วก็สติระลึกอยู่นั้นก็ไม่ทิ้งอารมณ์นั้นไม่ทิ้งเพราะธรรมชาติของสตินั้นน่ยระลึกอยู่ในกุศลธรรมเลยพ่พอก็คือระลึกก็คือรักษาอารมณ์ไว้มัน่นคําว่ารักษาอารมณ์ไว้มั่นก็ปแปล ว, ว่าไม่ให้อารมณ์นั้นคืออารมณ์กล่าวคือทา น, นะนเจตนาเป็นต้นเหล่านั้นที่ดับไปแล้วนั้นกลับมาอยู่ในใจนั้นไม่ให้หลุดลอยหายไปจากใจ การระลึกในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าจาคานุสติการระลึกถึงตนเองเคยเคยบริจาครละลึกถึงตัววัตถุทามที่ประณีดระลึกถึงปฏิคาโหกคือผู้รับหมายถึงราาพระเจ้าพระธรรมแล้วก็พระริศงฉะนั้นการระลึกอย่างต่อเนื่องผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้นสิ้นสุดโวนะก็ระลึกใหม่สิ้นสุดโวนะก็ระลึกใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ให้อารมณ์อื่นมาแทรกเลยเพราะธรรมชาติของสติ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 เนี่ยกรรมฐานและกรรมฐานเหล่านี้จะเกื้อกูลกับฆราวาสมากที่สุดเพราะตนเองทําเป็นอัธยาศัยทําเป็นปกติทําจนเคยชินและสิ่งของที่สละหรือบูชานั้นน่ะเราบูชาพระพุทธเจ้าถามว่า ท, ำทำําทําไมเนี่ยทำทำไมเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจิตไม่อ่อนโยนถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วจิตจะมีกรรมฉันทะกุ้มรุมพยาบาทกุ้มรุม ผีนามิธากุ้มรุมวิจิกิจฉาอุทจฉาทั้งหลายเหล่านี้กุ้มรุมความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดของจิตก็เกิดเพราะสภาพใจที่ไม่แข็งแรงแล้ ว, ะวฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเราระลึกได้ตามระลึกได้หม ในกุศลธรรมเหล่าน right. exactly. yeah, no. ี uhh. ้อย um. ่างต่อเนื่องในขณะที่ระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องระลึกถึงเจตนาทานใช่ไหมละลึกถึงเจตนาทานอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะละลึกถึงศรัทธาทานที่ให้ด้วยศรัทธาละลึกถึงสักกาทานที่ให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเคารพ และลึกถึงการลทานที่ให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาและลึกถึงอนุกิจตท า, านให้แบบอนุเคราะห์แบบตัดขาดและลึกแบบอนุปหะจตทานก็คือไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นและลึกถึงการให้อย่างเนืองนิดเมื่อกำลังให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนั้นน่ยที่เป็นไปกับยานปัญญานั้นอารมณ์เหล่านั้นนมาปรากฏในใจสติก็รักษาอารมณ์นั้นไว้อย่างต่อเนื่อง สิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่สิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่และไม่ใช่ระลึกด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะธรรมชาติของสตินั้นต้องรักษากุศลไม่ใช่รักษาอกุศลระลึกแล้วบาปเกิดไม่ใช่ระลึกแล้วก็กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อธรรมชาติของกุศลได้มาทํากิจได้มาเกิดในใจอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยกุศลนั่นจะมีพลังจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น บาปทั้งหลายที่เคยชำนาญในใจของท่านผู้นั้นก็ถูกขจัดออกถูกขจัดออกก็เหมือนกับเบานั้นถูกสูบอย่างต่อเนื่องก็ไปเหาะไปเกิดไฟลุกขึ้นมาก็ไปเผาลนทองนั้นให้อ่อนเมื่อทองนั้นอ่อนแล้วผู้ปฏิบัติเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้จิตของตอนเองอ่อนแล้วก็คลวนแล้วก็เหมือนที่พระศ า, าสดาแสดงธรรมนั่นแหละนั่นพระศ า, าสดากำลังให้กรรมฐานกาลังอบลมจิตกำลังฟอกจิต จิตที่ไม่สะอาดเริ่มถูกฟอกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ำอะ่ะน้ำมันนิ่งๆก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปแล้วใช้เครื่องปั่นเข้าไปช่วยปั่นไปปั่นมาจากน้ำที่โสโปรกก็กลายเป็นน้ำที่สะอาดแต่ตอนนี้ใจของพวกเราเนี่ยที่มันหนักน่วงอย่างเนี้ยมันไม่ถูกคำสอนของพระเจ้าเข้าไปปั่นในใจไงไม่ถูกทานกุศลศีลกุศลเข้าไปหมุนในใจอะ่ะไปฟอกจิตให้มันสะอาด ตอนนี้จิตมันหยาบฉะนั้นจะต้องใช้พระธรรมของพระศ า, าสดานั้นเข้าไปหลอมเข้าไปในใจก็คือเผาเข้าไปเผาไอตัวกระแสะใจที่แข็งกระด้างตรงเนี้ยนะให้อ่อนเมื่ออ่อนเบรศเสร็จแล้วต่อไปท่านจะก็แปลว่าเริ่มเกิดโสมนัสแล้วก็จะสมาธิก็จะตั้งมั่นแล้วแต่ก่อนไม่เคยตั้งได้เลยสมาธิแบบนี้ที่ตั้งได้นั้นเพราะจิตนั้นอ่อนโยน พอตั้งเป็นสมาธิแล้วจึงเอาสมาธินั้นเป็นฐานแห่งการเหมือนเอาเอาทองนั้ น, น, นมามามาทเป็นเพชรนิจินดาแล้วเอามาทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูแต่ใหม่ๆมมันทำไม่ได้หรอกนี้เหมือนกันเมื่อหลังจากได้ฐานของสมาธิเบ็ดเสร็จพระศาสดาก็สอนเรื่องการตั้งในสมาธิเบ็ดเสร็จก็ออกมาวิจัย วิจัยเรื่องเจตนาวิจัยเรื่องอรูปธรรม ท, ทั้งหลายนามธรรม ท, ทั้งหลายแยกแยกให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือสรุปลงอริยสัจนั่นเองแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การถอนตนจากลมคือกิเลสคือราคาโทสาวโมหาเป็นต้นั้พอจะมองเห็นไหมคือว่าถ้าเดินแ้นเราคิดอย่างนั้นเนี่ย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 แต่การระลึกที่เป็นไปทานกุศลที่ระลึกในด้านของจารคานุสติก็ดีศีลานุสติหรือพุทธานุสติเนี่ยรักษาอารมณ์ไม่ได้หายไม่ได้ให้ไม่ให้หายไปด้วยแล้วก็รักษาสภาพใจให้ว่าให้เ ป, ปเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับความดีด้วยฉะนั้นสภาพกุศลก็คือว่ากุศลทําไมระลึกงั้นท่านจะตรวจสอบว่าตัวชาวนะใช่ไหม เพราะตัวโยนิสโสมรรสิการจะเป็นเหตุใกล้ของกุศลอยูไหมเป็นประทัดฐานฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติจะไปรักษาจิตรักษาจิตก็คือรักษากุศลจิตคำว่ารักษากุศลจิตไม่ใช่ไม่ให้กุศลจิตเกิดดับนะแต่เวลาชาวนาจะเกิดขึ้นใหม่ตัวสติที่มีความแข็งแกร่งนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อต่อชวนาที่เป็นกุศล พอเมื่ อ, อกุศลจิตเกิดขึ้นนะ่ะตัวกุศลจะทำลายบาปจะทำลายอากุศลที่พอทำลายกุศลอกุศลอกุศลถูกทำลายจนอ่อนแอก็เหมือนกับกรณีที่ไฟนั้นนะ่ะเผาหลนทองนั้นจนอ่อนแล้วเนี่ยแปลว่าคขมเมาก็ดีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทองที่จะทำให้ทองแข็งทั้งหลายเหล่านี้นก็ถูกทำลายไปนี้เหมือนกันตัวบาปทั้งหลายการมาฉันทาพยาบาททั้งหลายถีนมิทะ ก็จะถูกทำลายไปสภาพใจก็อ่อนแล้วก็ควรต่อการที่จะเป็นปุสลคำว่าอ่อนในที่นั้นแปลว่าเขาพากจากบุญจากบาปได้เขาออกจากบาปได้ปกติเนี่ยจิตเกิดเนี่ยบาปก็จะแทรกอยู่ได้ง่ายแต่ด้วยการถูกระลึกถูกเผาถูกใครควรถูกวิจัยพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นน่สภาพใจก็เป็นสภาพใจที่เป็นใบกับปุสนนี้ความสะอาด ความสะอาดของจิตก็เกิดขึ้นเพราะถูกฟอกได้ละเอียดแล้วอะไรเป็นปัจจัยบอกความฉลาดคิดไงความที่จิตที่เป็นใบกากุศลนั่นเองฉะนั้นถ้าละลึกแล้วถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่รักษาจิตที่เป็นใบกากุศลหรือไม่รักษาอารมณ์คือจาคาหรือทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นถ้าไม่รักษาสองอย่างนี้ไว้ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่สติ นั้นไม่เรียกว่าสติเพราะสติจะต้องรักษาจิตที่เป็นไบกุกุกุนแล้วก็รักษาอารมณ์นี่เป็นไบอย่างนั้นาที่เมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็ให้เรารู้ชัดว่าเรายืนเป็นต้นหรือว่าเมื่อเดินแล้วก็ให้รู้ว่าก็ให้ให้มีจิตแล้วรึกว่ากายนี้ไหวไปด้วยวายโยธาที่เกิดจากจิตในแง่มุมตรงนี้ค่ะ ผู้ปฏิบัติจะถือไว้ใช้ตอนไหนจะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไร ค, คือในกรณีการถ้าจะเดินเรื่องหลังจากถ้าถามว่าถ้าพูดถึงในหมวดของียาบทบับนะอย่างเขามาเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่เนี่ยนั่งก็รู้ชัดบัดนี้เรานั่นงคำว่ารู้ชัดในความหมายนั้นน่เป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะต้องมาวิจัยเยอะ วิจัยเยอะก็คือรู้ชัดอะไรหนึ่งรู้ชัดรู ป, ปรกายทั้งหลา ย, ยใช่ไหมรูรู้ชัดรูปรูรปรกายรู้ชัดยังไงรู้ชัดเกี่ยวกับในเรื่องของรูปทั้งหมดเลยมหาโพธรูปและอุปาทายรูปก็รู้รู้ชัดอะไรธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมแล้วก็รู้ทัดรู้ชัดอุปาทายรูปที่อาศัยให้กันอยู่ ทีนี้รู้ชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ชัดอะไรรู้ชัดวายโยธาเขาเรียกจิตตะชาวาโยธาคือเวลาจิตที่คิดจะเดินเนี่ยจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่วาโยธาทีนี้พอบอกรู้ชัดวาโยธาก็ต้องไปวิจัยแล้วลมประเภทไหนที่จะเป็นปัจจัยแก่การเดินได้ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอันนี้ไม่ใช่ลมที่พัดลงเบื้องต่าอันนี้ก็ไม่ใช่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 คำว่ารู้ชัดลมเนี่ยต้องรู้ชัดยังไงรู้ชัดลมหกชนิดนี้ว่าลมชนิดไหนกันหนอที่ว่าจักทาความเข้าใจที่จะเป็นปัจจัยเก่การทําให้เคลื่อนไหวียบทได้เห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเรื่องอียบวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดก็แปลว่าหนึ่งต้องรู้ดินน้ําไปลมเป็นต้นที่เกี่ยวกับรู ป, ปรกายทั้งหลาย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 กุศลสมนัสกุศลอุเบกขากุศลเป็นเป็นปัญญาหรือไม่มีปัญญาประกอบก็เป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่งนอนได้เห็นไมรู้ชัดจิตที่คิดสองรู้ชัดวายโยท่าสามรู้ชัดียบทเดินยืนนั่งนอนถามว่าถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้ก่อนไปนั่งปฏิบัติยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติ คิดไหมว่ามันจะโผ่ขวดขึ้นมาเองได้ได้ไหมไม่มีเพราะเรานั้นคือสาวกเรานั้นคือผู้ฟังถึงจะรู้ผู้ที่คิดเองได้เข้าใจได้ตัดสรุ้เองได้มีอยู่พระพุทธเจ้าลองลงมาคือพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าพิเศษกว่าพระปัิเจกพระเจ้าคือรู้เองแล้วสอนคนอื่นให้ตัดสรุ้ตาม แต่อย่างเรานี่หมดสิทธิ์นั่งคิดเองแล้วรู้ถ้าให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจชัดอย่างนี้เสียจะได้ประมาณตัวเองออกว่าเราเป็นใครแล้วยุคนี้นะยุคนี้นะอย่าได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเด็ดขาดเด็ดขาดยังไงก็เก่งกว่าท่านไม่ได้เพราะอยู่ในการของท่าน นั้นดูท่านท่านบอกยังไงเดินตามท่านหมายหมว่าแม้อียาบทเนี่ยถ้าจะนั่งคุยกันจริงๆเนี่ยที่ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องคุยเฉพาะอียาบทเนี่ยไม่ต่ํากว่าไม่ต่ำกว่านะ15วันเอาคนมีข้อมูลมาแล้วนี่นะคุยเรื่องอียาบทประมาณ15วันนี้เฉพาะมีข้อมูลก่อน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 าเหมือนว่าไปขับรถนีนะ่ไม่ใช่ให้ไปลองขับเองแต่ต้องรู้ทฤษฎีรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนจึงค่อยขับเหมือนกันทำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนก่อนให้เข้าใจเบ็ดเสร็จถึงค่อยไปทำจะถามบอกว่าเออแล้วมันจะช้าไหมก็อายุปูนี้แล้วจะทำไง มันช้ามาตังนานแล้ว oh.